มัชชิมาปฏิปทาหรือภาคกระบวนวิธีหรือภาคจริยธรรมคือธรรมะสำหรับปฏิบัติมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางคือทางแห่งการดาเนินชีวิตด้วยปัญญาหมายความว่าเป็นอยู่โดยใช้ความรู้ความเข้าใจมองเห็นความจริงที่เป็นกลางซึ่งเรียกว่ามาเชนธรรมเทศนานั้น ไม่เป็นอยู่อย่างเลี่ยงหนีความจริงซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตไปตามอำนาจความอยากความยึดถืออันเลื่อนลอยที่คิดจะให้เป็นและไม่ให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้และฝากสุขทุกไว้กับตันหาขั้นต้นเมื่ อ, อยังไม่รู้แจ้งความจริงนั่นเองก็เป็นอยู่ด้วยความเชื่อถือหรือค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักความเป็นไปาตามเหตุปัจจัย มีสํานึกในความรับผิดชอบต่อการกระทาตามเหตุตามผลหวังผลสาเร็จด้วยการกระทาซึ่งเป็นขั้นโลกิยะสัมมาทิฏฐิในขั้นสูงเมื่อรู้แจ้งความจริงนั่นเองแล้วมีจิตใจหลุดพ้นเป็นอิสระไม่ถูกกิเลสและความทุกข์บีบขั้นครอบงาก็เป็นอยู่ด้วยความรู้เท่าทันธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั้นโดยสมบูรณ์เป็นขั้นโล ก, กุจระสัมมาทิฏฐิ นี้เรียกว่าพุทธจริยธรรมคือการครองชีวิตประเสริฐหรือระบบการครองชีวิตอันประเสริฐถูกหลักพุทธธรรมโรมจริยาหรือโ ร, ร, รมอาจารเป็นอริยมรรคคือทางดําเนินสู่ความดับทุกข์ที่ทําให้เป็นอริยชนหรือวิธีแก้ปัญหาแบบอริยชน อริยชนกับปุทุชนต่างกันในข้อสําคัญคืออริยชนมีความสุขไร้ทุกข์เป็นพื้นประจำตัวส่วนปุตุชนต้องทยานหาความสุขเพราะมีความขาดสุขหรือมีทุกข์คอยเรายืนพื้นอยู่เป็นประจำจะพูดว่าอริยชนพ้นทุกข์และเหนือสุขก็ได้ หลักปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์หรือวิธีแก้ปัญหาของอริยชนนั้นมีหลักย่อย8ดอย่างจัดวางเป็นกระบวนการศึกษาอบรมฝึกหรือพัฒนาคนสามด้านคือฝึกให้มีพฤติกรรมที่ร่วมสร้างเสริมสังคมดีงามซึ่งมีสภาพเกื้อกูลแก่คุณภาพชีวิตเอื้อแก่การพัฒนาจิตปัญญาโดยฝึกพัฒนาระเบียบวินัยความสุจริตกายวาจา และแรงงานที่เป็นสัมมาชีพเรียกง่ายๆว่าศีลอาศัยสภาพแวดล้อมสังคมความเป็นอยู่ภายนอกที่เอื้อนั้นเป็นพื้นฐานทำการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจให้ปราณีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพที่ดีเรียกง่ายว่าสมาธิ ด้วยจิตที่ดีนั้นก็สามารถฝึกหรือพัฒนาด้านปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยทำการด้วยความรู้ความเข้าใจนั้นจนบรรลุ ถ, ถึงปรีชาญาณที่ทำให้มีชีวิตแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระเป็นอยู่ด้วยความพองไสเบิกบานตลอดทุกเวลาในที่สุดเรียกง่ายว่าปัญญาการศึกษาหรือพัฒนาการนี้ อาศัยปัจจัยสองอย่างหล่อเลี้ยงทั้งปัจจัยภายนอกฝ่ายศรัทธาคืออิทธิพลสภาพแวดล้อมดีที่เรียกว่าปรตโตโคสะที่ดีโดยเฉพาะกัลยาณมิตรและปัจจัยภายในฝ่ายปัญญาคือความรู้จักคิดรู้จักทาใจที่เรียกว่าโยนิโสมนาสิการ ในทีน่นี้ท่านเขียนเป็นแผนพังไว้ขออ่านให้ฟังดังนี้จุดเริ่มหรือเครื่องเสริมคือปัจจัยของสมาธิิเริ่มต้นที่ประโตโคสะที่ดีหรือเริ่มต้นที่โยนิโสมนสิการประโตโคสะที่ดีนำไปสู่โยนิโสมนสิการซึ่งโยนิโสมนสิการก็นำไปสู่สมาธิ สัมมาทิฏฐินำไปสู่กระบวนการของการศึกษาหรือไตรสิกขาในที่นี้ท่านแบ่งเป็นสากลุ่มนะครับคือกลุ่มของสังคมจิตและปัญญาซึ่งแต่ละกลุ่มมีสมหัวข้อเหมือนกันคืออธิศีนอธิจิตและอธิปัญญาอธิศีนนำไปสู่ชีวิตประเสริฐคือมร สร้างสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะไปสู่อัฏฐะคือจุดหมายของชีวิตได้แก่ทิฏฐธรรมิกาถาและสัมปรายิกาถาอธิจิตนำไปสู่มรรคคือชีวิตประเสริฐสร้างสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินำไปสู่อัฏฐะจุดหมายของชีวิต คือสัมปารายกิกาถาและประมัตถะคือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติอธิปัญญานำไปสู่ชีวิตประเสริฐคือมัคสร้างสัมมาธิทฐิสัมมาสังกัปปะนำไปสู่ปรมัตถะคือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติ และในอีกแง่หนึง่งคืออธิศิลในหมวดสังคมอธิจิตในหมวดจิตอ ธ, ธิปัญญาในหมวดปัญญานำไปสู่ชีวิตประเสริฐคือมรรคสร้างสั ม, มาธิฏฐิสัมมาสังกัปปะนำไปสู่ปรมัตถะคือสัมมาญาณและสัมมาวิมุตติ กรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ระบุมาในสังยุตตนิกายสลายตนะวกักกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเจ้าบทบาทเดิมจากนั้นการศึกษาอาศัยปรโตโคโสะและโยนิโสมนัสิกานในด้านปรโตโคโสะมีคติว่าคนเป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรุงปั้น ในด้านโยนิโสมนสิการมีคติย้อนกลับว่าถ้าเป็นคนรู้จักคิดแม้จะฟังคนบ้าคนมาพูดก็อาจสำเร็จเป็นพระอระหันต์อันหนึ่งปัญหาทางจริยธรรมที่ว่าขอบคิดยากเช่นเด็กขโมยเงินเพื่อซื้อยารักษาแม่ดีหรือชั่วมองด้วยวิพัชวิธีก็ชัดแจ้งไม่เป็นปัญหา ท้ายสุดปรโตโคลาอยังเดียวไม่พอให้รู้สัจธรรมโยนิโสมนสีการเป็นตัวชี้ขาดอันหนึ่งสมาธิติสองระดับแสดงขอบเขตแห่งกิจกรรมทางจิตปัญญาของมนุษย์แยกเป็นสองแดนหนึ่งปัญญาญาณวิ ช, ชา ในที่นี้ท่านวงเล็บไว้มีรูปกันไก่ตามด้วยคำว่าอาวิชชาซึ่งน่าจะหมายถึงกลุ่มที่ตัดหรือดับอวิชชานะครับแดนที่หนึ่งปัญญายานวิชาในวงเล็บตัดอวิชชาคือความรู้ความจริงศาสตร์สัจธรรมชีวิตหรือธรรมชาติเป็นโลกุตระสัมมาทิฏฐิ ด้านที่สศรัทธาฉันทะเกาลุนาในวงเล็บตัดตันหาคือคุณค่าดีงามควรศิลปะจริยธรรมบุคคลหรือสังคมเป็นโลกิยะสัมมาทิฐิอีกเรื่องหนึ่งมองอย่างกว้าง คำว่าพุทธธรรมยังมีขอบเขตจำกัดไม่ครอบคลุมพระพุทธศาสนาทั้งหมดคำดั้งเดิมที่ครอบคลุมคือธรรมวินัยหนังสือนี้ได้กล่าวไว้มากในส่วนของธรรมะสมชื่อว่าพุทธธรรมแต่กล่าวถึงวินัยเพียงเล็กน้อยอาจต้องมีหนังสือที่เรียกชื่อตามบาลีเดิมว่าอริยวินัยไว้เข้าคู่กับพุทธธรรม 1. ธรรมหรือธรรมะคือคำสอนแสดงความจริงความดีงามเป็นเรื่องเนื้อหาหลักการสิ่งที่ค้นพบคำเปิดเผยเน้นที่ชีวิตด้านในที่จิตใจและที่ตัวบุคคลหรือปัจจัตา บ, บุคคลเป็นการแก้และการปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายใน สอวินัยคือระเบียบและการจัดระเบียบเป็นเรื่องของรูปแบบวิธีปฏิบัติตามหลักการข้อปฏิบัติการวางกฎและจัดระบบคือเป็นเครื่องมือของธรรมะสำหรับจัดระบบชีวิตระบบสังคมหรือชุมชนให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของธรรมะนำเอาเนื้อหาหรือหลักการของธรรมะ ไปจัดวางเป็นระบบปฏิบัติการที่มีผลเป็นจริงเป็นจังในท่ามกลางสภาพที่เป็นอยู่จริงของสังคมและโลกแห่งรูปธรรมเน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอกความเป็นอยู่ประจาวันสภาพแวดล้อมสังคมความสัมพันธ์และความรับผิด ช, ชอบต่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นการแก้และกันปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้างจากภายนอก